ก็ความในมหาปริณิพานสูตรค้อเกหน้า267ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ในหมู่บ้านนาทิกะตามพระอัธยาศัยแล้วพระองค์ก็ตรัส ก, กับท่านพระนว์นว่ามาเถอะอนุนเราจะเข้าไปยังพระนครเวสาลีกันเถอะท่านพระนว์นก็กลับทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้า ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสองหมูใหญ่เสด็จดำเนินถึงนครเวสาลีนั้นแล้วทราบว่าในนครเวสาลีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับในอัมพะปาลีวันแปลว่าสวนมะม่วงของนางอัมพปาลีเนี่ยนะอัมพปาลีวันในอัมพปาลีวันนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ก, กับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเพ่งเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่นี้เป็นอนุสาสนีของเรามอบให้แก่เธอทั้งหลายนั้นพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสบอกว่าเพ่งเป็นผู้มีสติก็คือเป็นคำสั่งว่าให้เธอนั้นเจริญสติและสัมปชัญญะทั้งเป็นโอวาทคือคำพร่ำสอนตามสอนสั่งสอนที่พระองค์มีต่อพระภิกษุทั้งหลาย โดยพิษสดารดูก่อนพิสษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างไรดูก่อนพิสูุทั้งหลายภิกษุในพระาศาสนานี้พิจารณาเห็นกายในกายเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติอยู่กําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวพิสูจน์ในพระาศาสนานี้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนายู มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ดูก่อนพิสูุนทั้งหลายภิกษุในพระศาสนานี้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายภิกษุในพระศาสนานี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กรรมจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้นั้นคำที่บอกว่าเป็นผู้มีสติก็คือมีสติในกายานุปัสนาสติปทานมีสติที่ประกอบพร้อมด้วยเวทนานุปัสนาสติปทานมีสติที่ประกอบพร้อมด้วยจิตานุปัสนาสติปทานและธรรมานุปัสนาสติปทานนั้นการมีสติก็คือมีสติเจริญสติปทานสี่นั่นเอง ดูความพิสูจน์ทั้งหลายก็พิสษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรมีสัมปชัญญะน ะ, ะคำว่าสัมปชัญญะนั้นโดยความหมายมีอยูสีประการด้วยการหนึ่งศาธกะสัมปชัญญะคำหนึ่งถึงประโยชน์เป็นต้นสกอนสองอโคจรสัมปชัญญะนำกรรมฐานไปด้วยสามสัปพายะสัมปชัญญะพิจารณาว่าอะไรเป็นสัปพายะไม่ใช่ ส ป, ปายะแล้วก็สุดท้ายอสัมโมหะสัมปชัญญะไปโดยไม่เลอะเลือนไม่เบลอเนี่ยนะก็ไปด้วยปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่วิจัยเลือกเลือกเฟ้นเลือกพิจารณาไข้ครวรโดยความเป็นขันอายตนะธาตุปัจจัยเป็นต้นทีนี้สัมปชัญญะที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเจริญที่ไหนเมื่อไหรอย่างไร บอกว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายพิสูจนในพระศาสนานี้เป็นผู้ทําสัมปชัญญะอยู่เสมอในการก้าวไปข้างหน้าและถอยกลับนะในอิริยาบททั้งสี่นะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนนั้นจะต้องมีสัมปชัญญะอยู่เสมอเป็นผู้ทําสัมปชัญญะอยู่เสมอในการแลและการเหลียวดนะูจะแลตรงๆหรือจะเหลียวดูข้างๆเป็นต้นก็ต้องมีสัมปชัญญะอยู่เสมอ เป็นผู้มีสัมปชัญญะอยู่เสมอในการคู่เข้าและในการเหยียดออกเป็นผู้ทำสัมปชัญญะอยู่เสมอในการทรงไว้ซึ่งสังขาติบบาทและจีวรเป็นผู้ทำสัมปชัญญะอยู่เสมอในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มเป็นผู้ทำสัมปชัญญะอยู่เสมอในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเป็นผู้ทำสัมปชัญญะอยู่เสมอในการเดินยืนนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่ง ดูความพิสูุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้แลก็คือเจริญสัมปชัญญะ4มีสาทธะสัมปชัญญะสัปายะสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญะและอสัมโมหะสัมปชัญญะในฐานะ7ประการ7ประการก็คือก้าวไปถอยกลับ1 2แลดูเหลียวดู 3. คู่เข้าเหยียดออก 4. ทรงไว้ซึ่งสังขารติบาทและจีวร ห้ากินดื่มเคี้ยวเล็มหกถ่ายอุจจระปัสวะเจ็ดเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่ ง, งนะมันก็ต้องคำหนึง่งทุกอย่างเนี่ยนะทุกอย่างคูณด้วยศาสกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะถ้า4่คูณ7เท่ากับเท่าไหร่28ก็ต้องเจริญสัมปชัญญะ28อย่างอันนี้ที่พูดแบบหัวกลมๆนะแต่แต่ถ้าแจกรายละเอียด ไปก็สัมปชัญญะสี่กลับก็สัมปชัญญะสี่แลดูก็สัมปชัญญะสูสัมปชัญญะสี่เหลียวดูก็สัมปชัญญะสี่คู้เข้าก็สัมปชัญญะสี่เหยียดออกก็คํานวณเอจเจริญสัมปชัญญะด้วยสัมปชัญญะสี่ขณะที่ใช้ผ้าสังขาติอ่านมเาเว่าการนุ่งการห่มทั้งหลายก็สัมปชัญญะสี่การจับบาดจับภาชนะจับเข้าของเครื่องใช้ทั้งหลายก็สัมปชัญญะสี่ การกินก็กินด้วยสัมปชัญญะสี่ดื่มดื่มด้วยสัมปชัญญะสขณะที่เคี้วก็เคี้ยวด้วยสัมปชัญญะสี่ลิ้มหรือเลียเนี่ยนะของลิมของเลียก็คืออะไรดูไหมเครื่องดื่มทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าการเครื่องดื่มเนี่ยพวกของลิมของเลียเนี่ยนะพวกนั้นก็ด้วยสัมปชัญญะสี่ขณะที่ทายอุจจาสะปัสสาวะก็ทําด้วยสัมปชัญญะสี่ขณะที่เดินก็เดินด้วยสัมปชัญญะสยืนด้วยสัมปชัญญะสี่นั่งด้วยสัมปชัญญะสี่ หลับก็หลับด้วยสัมปชัญญะสี่ตื่นก็ตื่นพร้อมกับสัมปชัญญะสี่พูดก็พูดด้วยสัมปชัญญะสี่นิ่งก็นิ่งแบบมีสัมปชัญญะสี่ประการนะครับสติปฐานสี่มีกายานุปัสนาเป็นต้นบวกกับสัมปชัญญะสีในฐานะเจเนี่ยนะเจ็ฐานะใหญ่ๆเนี่ยนะมันก็จะรู้ว่าพราะองค์เนี่ยแนะนําให้มีสติอย่างนี้แหล ันมีสัมปชัญญะอย่างนี้แลสตินั้นก็คือสัมมาสติสัมปชัญญะตัวนี้ก็คือสัมมาทิฐินั่นเองนะก็ยกองค์มรที่สําคัญสององค์คือสัมมาทิฐิกับสัมมาสติพันะองค์บอกว่าให้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่เถะนี้เป็นอนุสาสนีของเราแก่เธอทั้งหลายที่จริงสติก็เป็นสมถะสัมปชัญญะก็เป็นวิปัสสนาก็ให้อยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนานั่นเอง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเริ่มสติปทานในที่นี้เนี่ยนะโดยพิเศษเพื่อให้สติปรากฏในการทรงทัศนา น, นางอัมพะปาลีเนี่ยนะหรืออัมพปาลีวันพอเดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ในสวนเนี่ยโดยที่ไม่มีสติสัมปชัญญะก็เสียหายส่วนรายละเอียดท่านบอกว่าขยายพิสดารแล้วในสติปทานเนี่ยนะซึ่งในสติปทานสูตรนะนะคะว่า กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเป็นอย่างไรนั้นก็ศึกษาพิสติประฐานสโดยละเอียดส่วนสัมปชัญญะสี่ในฐานะเจก็ดูจากสัมปชัญญะบัพเพะในข้อ91กล่าวถึงนางอัมพปาลีหญิงคณิกานางอัมพปาลีหญิงคณิกาก็คือโสเพนีสมัยก่อนเนี่ยเป็นตำแหน่งเนี่ยนะเป็นตำแหน่ง ที่ใหญ่มากตำแหน่งหนึ่งเลยแหละได้ยินแล้วแล้วว่าเขาว่าคือนางเนี่ยได้ข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเสด็จดําเนินถึงนครเวสาลีแล้วเสด็จประทับอยู่ในสวนมะม่วงของเรานางอัมพปาลีคนนี้ก็นับว่าเป็นหญิงคนหนึ่งที่มีศรัทธาตอนหลังเนี่ยนะท่านมีลูกอยู่คนหนึ่ง มีลูกทพ่มีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยแอบลักลอบไปก็ไปอยู่กับนางอัมพปาลีอยู่พักหนึ่งแล้วก็ได้ลูกอยู่ท่านหนึ่งอ่ะนะแล้วลูกชายของนางก็ออกบวชเป็นพระอรหันต์ตอนหลังก็ลูกชายมาสงเคราะห์แม่ตอนหลังนางอัมพาปาลีคนนี้ก็บวชบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในตอนท้ายเนี่ยนะอัมพาปาลีเทรีคาถาก็มีที่พิธวิธีเจริญวิปัสสนาแบบนางอัมพาปาลีนี่เจริญไม่ยากนะ ใครที่อยากจะรู้แนวว่าเมื่อก่อนนะผมของเราไม่เป็นอย่างนี้หรอกบัดนี้เหมือนอะไรแล้วก็ว่าไปนั่นนะเมื่อก่อนนะดวงตาของเราไม่เป็นอย่างนี้หรอกสวยมากบัดนี้ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วนะก็ไล่ไปทุกอย่างบอกพระพุทธเจ้าตัดแต่ของจริงของแพ้่แบนั้นนะก็นั่งทบทวนดูก่อนน่นนะเอารูปสมัยก่อนมานั่งดูนะเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยนะบัดนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วเพราะอะไรเพราะมันถึงชรา เราพิจารณาโดยอรชาราติธรรมโตเนี่ยนะพิจารณ า, าออโรปทั้งหลายเนี่ยเป็นของที่มีความแก่เป็นสภาวะเนี่ยนะใครคิดอะไรไม่เป็นวิจิตพิสดารเนี่ยเจริญวิธีนางอัมพปาลีก็ได้นะไปดูในอัมพปาลีเถรีคาถาเนี่ยก็นั่งไล่อวัยวะตัวเองนั่นแหละทุกชิ้นทุกส่วนเดี่ยในที่สุดก็น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายจนได้แหละย้อนกลับมานะครั้งนั้นแลนางอัมพปาลีคณิกา สั่งให้เทียมยานทั้งหลายที่ดีๆแล้วตนเองก็ขึ้นยานดีๆคันหนึ่งออกจากนครเวสาลีด้วยยานทั้งหลายคันดีๆเข้าไปยังสวนของตนไปถึงก็ไปทอดยานหรือไปจอดยานเขาไปไปด้วยยานตลอดพื้นที่ที่ยานไปได้เสร็จแล้วก็ลงจากยานเดินเข้าไปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งอยู่ณนะด้านหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังนามอัมพะปาลีคณิกาผู้นั่งอยู่ณด้านหนึ่งให้เห็นแจ้งให้รื่นเรืองให้สมาทานให้อาหารด้วยธรรมีกถาพระอง์ก็แสดงธรรมให้นางฟังครั้งนั้นแลนางอัมพะปาลีคณิกาผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้รื่นเรืองด้วยธรรมีกระถาก็คือฟังธรรมจบก็ลักษณะของผลที่ฟังธรรมสมัยพุทธกาลก็ฟังแล้วจะเห็นแจ้ง คือเข้าใจอย่างทะลุ ป, ปรุโ ป, ปรงพอเห็นแจ้งเสร็จแล้วก็สมาทานเอาข้อปฏิบัตินะสมาทานสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติกําจัดทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่ข้อปฏิบัติเนี่ยนะนะแล้วก็ทําด้วยความอาถรรพ์ทำด้วยความองอาจไม่ใช่ทําแบบง่อยเงาไม่ใช่ทําแบบอ่าร่าเริงรื่นเริงทําอย่างมีความสุขเนี่ยนะเพราะเห็นประโยชน์เห็นผลเห็นอันที่สองของการปฏิบัติตามหลังจากฟังธรรม นะได้รับความเห็นแจ้งสมาทานอาหารร่าเริงเสร็จแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรรับพระตาหารของหม่อมฉันสําหรับวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่าก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันน่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับด้วยดุษนียภาพครั้งนั้นแลนางอัมพปาลีคณิกาครั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้ว ก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณแล้วหลีกไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสมัยสมัยก่อนเนี่ยนะการที่พระพุทธเจ้าการที่ฟังธรรมจบแล้วนิมนต์พระไปฉันเนี่ยปกติท่านบอกว่าเป็นธรรมเนียมเนี่ยนะเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีของคนสมัยนั้นเนี่ยนะมิหน้านะอะไรนะสิงคาละกะมานพเนี่ยจึงไม่อยากเข้าเฝ้าพระเนี่ยนะไม่อยากเข้าหาพระพุทธเจ้าไม่อยากเข้าใกล้พระพิสุสง์ ว่เดี๋ยวต้องนิมนต์ท่านไปฉั น, นยังไงนะเปลืองเ ป, ปล่าเขาบอกงานตอนนั้นเจ้าลิชวีทั้งหลายเนี่ยนะชาวเมืองเวสาลีได้ยินแล้วและ ว, ว่านะพวกกษัตริย์ลิชวีนะข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินมาถึงเมืองเวสาลีแล้วตอนนี้พระองค์เสด็จประทับอยู่ณนะอัมพปารีวันใกล้เมืองเวสาลี สมัยก่อนเนี่ยนะส่วนที่สําคัญสําคัญอันหนึ่งก็คือสวนมะม่วงปัจจุบันนี้สวนมะม่วงก็ยังดูน่ารื่นรมอยู่นะสวนมะม่วงก็ถือยังเป็นส่วนที่ที่เยอะอยู่นะเพราะว่าโดยพื้นโดยรวมแล้วสวนมะม่วงนี่มีร่มเงาร่มเย็นนะนะก็ถือว่าหน้าพักผ่อนที่สุดแหละบ่างั้นเจ้าลิชวีทั้งหลายเหล่านั้นก็สั่งให้เทียมยานทั้งหลายคันใหญ่ๆแล้วต่างก็ขึ้นยานคันใหญ่ๆเนี่ยนะ ออกจากนครเวสาลีด้วยยานใหญ่ๆบรรดาเจ้าลฤาวีทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะเจ้าลฤาวีบางพวกแต่งสีนินก็คือแต่งตัวย้อมผิวเป็นสีนินมีวันนะเป็นสีนินนุ่งผ้าห่มเป็นสีนินประดับด้วยเครื่องประดับสีนินสวยยังไงไม่รู้นะออกดำๆอ่ะนะินเนี่ยนินนิเนี่ยแปลว่าดำเช่นม้างินมังก้ก็ม้าดำอ่ะนะ มีเจ้าลิชวีกลมหนึ่งแต่งตัวด้วยผ้าดำทั้งหลายตัวก็ออกดำๆเลยนะเจ้าลิชวีบางพวกก็สีเหลืองมีวันณะสีเหลืองไอ้เหลืองนี่ไม่ใช่เหลืองผิวแท้นะเหลืองแบบย้อมมานะก็ถือว่าเป็นความงดงามของเขาหละนุ่งผ้าสีเหลืองเครื่องประดับก็สีเหลืองเจ้าลิชวีบางพวกก็สีแดงมีวันณะสีแดงใช้ผ้านุ่งผ้าห่มสีแดงเครื่องประดับก็สีแดง เจ้าลิชวีบางพวกก็สีขาวมีวันณะสีขาวนุ่งผ้าห่มสีขาวแล้วก็เครื่องประดับสีขาวครั้งนั้นแลนนางอัมพปาลีคณิกาก็ให้เพลากระทบกับเปล่าให้ล้อกระทบกับล้อให้แอกกระทบกับแอกของเจ้าลิชวีทั้งหลายหนุ่มๆแปลกนะว่านางเนี่ยตอนนั้นกลับจากกลับจากไหน กลับจากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมนะแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันนะขากลับมาฝ่ายเจ้าเนี่ยเพิ่งออกไปเนี่ยเพิ่งออกเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าส่วนานางอัมพปาลีนี้กลับพอดี